อขอขโมทนากับเรานะได้พูดถึงในเรื่องของภาวนาและพูดถึงในเรื่องของอินทรียนะ์ <c oughs> ในชั้นคําสอนท่านขยายอินทรีย์ก็ไว้ว่า <c oughs> คําว่าตัตสรูเนี่ยนะก็หมายความน้อมใจเชื่อแห่งสัจทินทรีย์ความประคองไว้แห่งวิริยินทรีย์ความปรากฏแห่งสติความไม่ฟุ้งซ่านแห่งสมาธิ ความเห็นแจ้งแห่งปัญญีสีเป็นอันตัสรูแล้วส่วนคำว่าแทงตลอดที่จริงในชั้นของคำสอนจะมีคำว่าวิหารธรรมคำว่าตัสรูคนว่าแทงตลอดผู้ประพฤติอยู่ถ้าวิหารธรรมบุคคลผู้น้อมใจเชื่อย่อมอยู่ด้วยศรัทธาคำว่าย่อมอยู่อยู่อยาบทยืนเดินนั่งนอนก็คือมีศรัทธาเนี่ยหมุนไปอยู่ในกระแสใจใช่ไหม ประคองไว้คำว่าประคองไว้นี่ที่นั้นคือประคองกุศลไว้ไม่กุศลนั้นนะ่ะหลุดหายไปจากกุศแลแชาวนะอย่างนั้นก็เรียกว่าย่อมอยู่ด้วยความเพียรมาจากกวิหารธรรมผู้ตั้งสติมั่นย่อมอยู่ด้วยสติก็แปลว่าจเจริญสติปัฏฐานผู้ทาจิตไม่ฟุ้งซ่านก็อยู่ด้วยสมาธิรู้ชัดอยู่ ก็ย่อมอยู่ด้วยปัญญาในขณะที่รู้ชัดตัดสรู้แล้วก็คือความน้อมใจเชื่อแห่งศรัทธาความประคองไวแห่งวิริยินทรีปรากฏแห่งสติความไม่ฟุ้งซ่านแห่งสมาธินทรีความเห็นแจ้งแห่งปัญญินทรีเป็นอันตัดสรู้แล้วคำว่าแทงตลอดก็คือว่าน้อมใจเชื่อแห่งสัจทินทรีเป็นต้นเป็นไปตามลำดับจนถึงความเห็นแห่งปัญญินทรีเป็นการแทงตลอดประพฤติอยู่ก็ ประพฤติด้วยศรัทธาอย่างนี้ด้วยความเพียรอย่างนี้ด้วยสติอย่างนี้ด้วยสมาธิอย่างนี้ด้วยปัญญาอย่างนี้อยู่อยู่ด้วยศรัทธาอย่างนี้อยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยอยู่ด้วยสติสมาธิและปัญญาอย่างนี้ผู้รู้แจ้งก็คือว่าผู้รู้แจ้งผู้มีปัญญาแจ่มแจ้งผู้มีปัญญาทําลายกิเลสผู้เป็นบัณฑิตถึงพร้อมด้วยปัญญาเครื่องตัสรู้นั่นเอง ลักษณะของพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะทีนี้อินทรีห้าถ้ามาพิจารณาอย่างนี้เขาบอกว่าอินทรีนี่เป็นใหญ่ในการน้อมใจเชื่อก็คือสัต ธ, ธินทรีบุคคลผู้ละความเป็นผู้ไม่มีศรัท ธ, ธาก็ ด้วยสามารถแห่งสัตทินรีนั่นแหละวิรินซีก็เป็นใหญ่ในการที่จะออกจากโกสัจฉะสมาสติก็เป็นใหญ่ที่จะออกจากมุท ธ, ธสติสมาธิก็เป็นใหญ่ที่ออกจากความฟุ้งซ่านปัญญาก็เป็นใหญ่ในฐานะที่ออกจากออกจากอะไรออกจากความหลงความโง่นี่นะทีนี้ถ้ามองถึงด้วยสามารถ ด้วยสา ม, มารถว่าอินซีเนี่ยเพราะอัตว่าเป็นเครื่องชำระธรรมที่เป็นไปในส่วนของเบื้องต้นสัตตินซีเพราะอัตว่าน้อมใจเชื่อนี่เป็นศีลวิสุทธิได้ไหม <c oughs> เป็นศีลวิสุทธิเพราะอัตว่า <c oughs> นั่นแหละเป็นศีลวิสุทธิระวังความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไงนี่แหละนั่นแหละเป็นศีลวิสุทธิเป็นเครื่องชำระธรรมเป็นเบื้องต้นแห่งสัตตินรีย์ด้วย วิริยนรียีก็ประคองไว้ก็เป็นศีลวิสุทธิเพราะระวังความเกียจค้านไม่ให้เข้าไปสู่กระแสจิตเป็นเครื่องชา FF, ําระทำเป็นเป็นเบื้องต้นแห่งวิริยินทรีย์ด้วยสติก็พ่ออธิว่าปรากฏเป็นศีลวิสุทธิ์ที่พอัธิว่าระวังความประมาทหรือความหลงลืมสตินั่นแหละเป็นเครื่องชําระเนีเป็นเครื่องชาําระธรรมันเป็นเบือเอเอเ้องต้นของสตินรีสมาธิก็พ่ออธิว่าไม่ฟุ้งซ่านนั่นแหละเป็นศีลวิสุทธิเพราอธว่าระวังความฟุ้ง ระวังอุทธะได้ปัญญาปัญญินีเป็นศีละวิสุทธิเพราะอัตวะระวังอวิชชานั้นศรัทธาเป็นศีละวิสุทธิได้วิรยิยะสติสมาธิแม้ปัญญาก็เป็นศีละวิสุทธิเพราะอัตวะระวังความหลงระวังความไม่รู้เป็นเครื่องชำระธรรมที่เป็นไปในเบื้องต้นของปัญญินีด้วย นี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าพัฒนาอินทรีสูงขึ้นไปสธาวิริยะสติสมาธิบัญญาถามว่าอินรีห้าในเนคขมมะเป็นศีลวิสุทธิไหมเป็นเพราะอัตว่าระวังกรารมาฉันทะเป็นเครื่องชาระธรรมที่เป็นเบื้องต้นของอินทรีห้าอินรีห้าในความไม่พยาบาทเป็นศีลวิสุทธิไหมสธาวิริยะสติสมาธิไปประชุมกัน เห็นความไม่พยาบาทก็เป็นศียราวิสุทธิเพราะอะไรระวังเพราะอัตว่าระวังความพยาบามไม่แทรกไปในใจเป็นเครื่องชําระธรรมที่เป็นเบื้องต้นของอินทรีย์ห้าด้วยไล่ไปตามลําดับสิไล่อ ย, ย่างไงดีอินทรีย์หอินทรีย์หในอโลกสัญญาที่ไม่มีถีนมิทะก็เป็นศสียวิสุทธิใช่ไหมเพราะออกจากความ ซึมเศร้าหงอยเหงาเป็นต้นได้ถ้าอินซีห้าไหนไหนอีกฮะในสมาธิที ใ, ใช่ไหมที่กระจัดความฟุ้งซ่านไดนกน้ก็เป็นก็เป็นอินซีใช่ไก็เป็นสิรเวสุทธิด้วยนั้นอินซีนี้อินรีห้าก็ไล่ไปตามลำดับว่าออกจากกรรมะฉันทาด้วยเนคขมะเนี่ย ออกจากพยาบาทด้วยอภยบาทออกจากถีนมิธาด้วยอโลกสัญฑยาออกจากวิจิกิจฉาด้วยด้วยสมาธิออกจากวิจิกิจฉาด้วยกําหนดกําหนดธรรมกําหนดที่แน่นอนไปนั่งไปอินทรีย์ห้าไปไปประชุมกันทั้งนั้นเนี่ยสธาวิริยสติสมาธิปัญญาไปประชุมกันทั้งนั้นเลยแล้วไปประชุมไหนไหนอีกออกจากความไม่รู้ไงด้วยยาณะออกจากอรติ ความไม่ยินดีได้ปราโมท น, ะนะั่นอินทรีย์5ไว้ประชุมกันทั้งนั้นนั่นคือการพัฒนาตัวของอินทรีนะแล้วก็ออกจากอาวิชาออกจากอากุศลด้วยกุศลนั่นแหละนี่ทำที่เป็นอันตรายต่อสมาธิแปประการนั่ น, นแหละเป็นชื่อของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไปประชุมกันแล้วก็ออกจากกลุ่มนิวรห้าด้วยปฐมฌานนอินทรีย้านะไปประชุมกั น, นในปฐมฌาน ออกจากวิตกวิจารณด้วยทุติยฌานเป็นต้นไปตามลำดับฉะนั้นศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาที่ไปไประชุมในปฐมฌาน ท, ทาาุติยฌานตาัติยฌานจตุติฌานไปไประชุมในอากาสานัญญาตนะวิญญาณัญญาตนะอากินัญญายตนะเนวสัญญานะสัญญายตนะนั่นแหละเป็นชื่อของศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาออกจากธรรมที่เป็นปฏิปัตษ์ แล้วต่อไปก็ไปชมศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาในอันนีจานุปัสสนาก็ออกจากนิจจสัญญาเป็นต้นได้ไปไประชมในทุกขานุปัสสนาก็ออกจากสุขสัญญาเป็นต้นได้เห็นไหมนั่นแหละตัวอินทรีห้าเห็นไหมเขาทำกิจอันเดียวกันไห้แต่เนี้ยอันเดียวกันหรือไม่อันเดียวกันเนี่ยที่ไล่มาตามลำดับไงออกจากอ น, นัตตานุปัสสนาด้วยอะไรโดยอัตตสัญญานเนี่ย อัตตสัญญานั่นเองนั่นแหละไศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไปประชุมกันแล้วแล้วก็ออกจากความเบื่อหน่ายใช่ไหมอินรียหก็จะละความยินดีได้ละความยินดีความเพลิดเพลินได้ถ้าอินรียห้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไปประชุมในไหนบ้าง ปรชมในอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตานุปัสสนาแล้วก็นิพพิทานุปัสสนาก็ไล่ไปตามลำดับจะมันจะออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ไหมนั่นแหละคือความที่อินทรีห้ามีกิจเป็นอันเดียวกันมองเห็นยังมีกิจเป็นอันเดียวกันเป็นศีลได้ไหมเป็นสมาธิได้ไหมเป็นปัญญาได้ไหมไปประชุมนู่นในมรรคนูน่นนี่เขาทากิจในการละ ก, กิเลสแล้วนี่เราไม่ได้พัฒนาอินทรีย์ของเราอย่างนี้เลย พ้แล้วนาพัฒนาไว้เนี่ยใช่ไหมทำยังไงเนาะที่จะพัฒนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ใช่ไหมต้องมีตั้งแต่เริ่มต้นไหมตั้งแต่ศี่ยินเลยใช่ไหมนั้นต่อไปเนี่ยต้องออกจากการไม่มีศรัทธาก่อนเบื้องต้นออกจากความเกียดค้านก่อนเบื้องต้นออกจากการหลงลืมสติก่อนเบื้องต้นออกจากความฟุ้งซ่านก่อนเบื้องต้นแล้วออกจากความอาวิชาในเบื้องต้นให้ชัดใช่ไหม จะได้ไปประชมุมในศีละวิสุทธิ์เทียจะได้เป็นศีลที่ถูกต้องสักทีเพราะเร า, า, ารักษาศีลที่ไม่มีอินทรีย์ห้ามาเกื้อหนุนนี่แหละมันศีลจึงไม่เงยจึงไม่เจริญสักทีศีล ร, รากศีลก็เน่าอยู่เรื่อยเลยโทสะกัดล้ออยู่เลยใช่ไหมตัดล้อนอยู่เรื่อยเลยอย่างนี้บ่มบอกบ่ง บ, งบอกถึงอะไรอินทรีย์แข็งแรงไหมอินทรีย์ไม่แข็งแรงนี่เองจึงออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ไม่ได้เขาพัฒนาอย่างนี้ จะต้องทำอินรีให้มีกิจเป็นอันเดียวกันเนี่ยไล่ไปตามลำดับเลยตอนนี้ขึ้นวิปนายญาณแล้วทำไงเนี่ยแล้วอินรีต่ำๆก็ยังทำไม่ได้ต้องต้องลงบันไดไปใหม่ไหมมันขึ้นผิดบันไดนี่แหละมันต้องลองไปเริ่มต้นให้บันไดมันถูกบางทีนึกว่าขึ้นมาแล้วที่ไหนได้เอ๊ะนี่มันขึ้นมาผิดตัวนี้ขึ้นไปขึ้นมานี่ไม่ใช่นิพพานของพระเจ้าซะแล้วเนี่ย จะมาต้องลงไปใหม่หมต้องลงไปใหม่นะเป็นอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเสียเลยใช่ไหมพอมองเห็นมเนี่ยยมแก้าพ่อเห็นไหมเห็นหรือเปล่าไม่เห็นเลยเลยนียังกระตากระแต่อยู่เลยอินเซียนะตอนนี้อินซีไหนบกพร่องบ้างศรัทธาเป็นยังไงไม่เข้มแข็ง อ้าไม่เข้มแข็งเพราะอะไรเนี่ยศรัทธาไม่เข้มแข็งเพราะอะไ ร, ร, ร, รฮะทำไมศรัทธาไม่แข็งแรงอะไรเป็นปรรทัดฐานของศรัทธานั้นอะไรเป็นบรรทัดฐานของศรัทธาสัตยยาวัตถุเหตุที่ควรเชื่อใช่หไหมคือไม่มีเหตุที่ควรเชื่อให้ระลึกระลึกผิดอยู่เรื่อยเลย และอย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรเหตุของโสตตาปยังคาสีด้วยสัพปริสังเสวว่าการคบบัณฑิตผู้สามารถสอนอริยาสัจสีได้จนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ตอนนี้คบคบพระเจ้าอยู่ไหมสาวกพระเจ้าอยู่ไหมเนี่ยสองสัตทธรรมมัตสวรนะฟังธรรมฟังธรรมประเภทไหนฟังธรรมของผู้รู้ที่เกี่ยวกับอริยสัจสีให้ชัดด้วยนะเข้าใจคำนี้ไหมเนี่ย ฟังธ ร, รมของผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นน่ที่ที่สรุปลงอริยาาสัจสีให้ได้ 3. โยนิโสมนัสิการคือใส่ใจพิจารณาด้วยปัญญาพิจัรณาสังขารธรรมรูปนามด้วยปัญญาคือพิจารารูปธรรมนามธรรมเหตุผลอันนี้จะทำทุกขธรรมอนัตธรรมและอสุภะธรรมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการ ถามพ่อมีโยนิสงฆ์มนุษยการเนี่ยถึงจะเริ่มธรรมานุธรรมปฏิปติก็คือการปฏิบัติควรที่สมควรต่อโลกุตตละธรรมเก้าเริ่มตั้งแต่ไหนเนี่ยเริ่มตั้งแต่สารณคมไปเลยใช่ไหมการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาโดยเริ่มตั้งแต่สารณคมศีลไปจนถึงอนุโรมยานหนืออะไรไปตามลําดับนี่นี่อะไรตามลําดับนี้มองเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นเหตุใกล้ นี่เป็นเหตุใกล้ของปัญญาเออเห็นศรัทธาศรัทธาอุปมาเหมือนอะไรนะเหมือนมือใช่ไหมโลกิยะโลกิยะเป็นรัตนที่เป็นโลกิยะรัตนที่เป็นโลกุตระที่พระศาสดาฝังดินไว้ไม่มีมือจะขุดอตอนนี้มือด้วนหรือวางไว้เกรื่อนกล่นที่ไม่เห็น ภาษาสดามีทรัพย์อยู่สองส่วนใช่ไหมส่วนหนึ่งวางไว้บนดินอีส่วนหนึ่งอยู่ในดินส่วนที่อยู่บนดินก็คือเนี่ยศรีนเนี่ยระดับธรรมดาเนี่ยระดับศีลระดับสมถะถ้าเรามองนี่นะก็เหมือนก็อยู่บนดิ น, นใช่ไหมได้เอา้าได้ศีลก็ได้จิตตวิสุทธิแต่ปัญญาวิสุทธิอีกหเนี่ยฝังไว้ในดินต้องมีมือ จับจอบจับเสียมขุดอ่ะขุดอย่าเงียน <c oughs> สีนอสีนันยังต้องเก็บนะถ้าไม่มีมือจะเก็บได้ไหมรัตนที่เกลือนกลลอยู่เนี่ย <c oughs> เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้มือด้วนตรงนี้เป็นเรื่องของศรัทธานะที่ท่านขยายก็้ไว้เออตรงนี้ก็ในชั้นของคำสอนก็ ถ้ามองอย่างนี้ก็จะได้เห็นนะว่าลักษณะของศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้ถ้าถามบอกว่าเออศรัทธาต้องแข็งแรงวิริยะสติสมาธิปัญญาก็จะออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์นั้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเส ร, รวิสุดที่เพราะอะไรไล่ไปตามลําดับออกจากพยาบาทออกจากปาณาติบาทได้ยังไงออกจากอธินาทานการเมสุมิชฌาฌามุสาวาตปิสุณาวาจาพุทสวาจาสัมผัพราปร ะ, ปะอภิชาพยาบาทมิชฌาทิฏฐินะ คือออกจาก อ, อกศนกรรมบทสิบไม่ได้เพราะเราไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาในระดับของศีระณะที่เป็นอัตว่าออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักก็ไล่ไปตามระดับเลยตอนี้ไปจนถึงนั่นเลยอา น, นิจจานุปัสสนาใช่ไหมก็คือศรัทธาใช่ไหมไปประชุมกันใน น, นิจจานุปัสสนาไปพิจาราเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะละอะไรละนิ้จะสัญญาได้ อินทรีห้าไปประชุมพิจารณาเห็นสังขารรูปนามโดยความเป็นทุกข์ก็จะละสุขสัญญาได้ถ้าอินทรีห้าไปประชุมในอนัตตานุปัสสนานะีพิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนัตตาแล้วย่อมละอัตตสัญญาได้เห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้นอินทรีห้าถ้าไปประชุมในนิพิทานุปัสสนาก็จะเบื่อหน่ายก็จะละความยินดีได้ อินสี่ห้คือสธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไปประชุมในวิราคานุปัสสนาก็จะละความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินได้สธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าไปประชมในนิโรธานุปัสสนาก็จะพิจารณาเห็นความดับก็จะละสมูทัยได้สธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไปประชมในปฏินิสคานุปัสสนาก็จะสละคืนสละอะไรดีสละขันห้าสละกิเลสใช่ไหม สับนี้เขาใช้คำว่าสำรอกก็ได้ปฏินิสขะเนี่ยโพชชาคือความรู้ตปภาษาคือความเพียรอินตริยสังวราก็การสำรวมอินทรีสัพนิสขะคือการสละก็บริจาคเสียบริจากขันบริจาค ก, กิเลสออกไปอย่ามายึดถือไว้นี่เราไปยึดถือไว้ใช่ไหม ควสละยังตาหัวจะหมกุกเล่นกายใจเนี่ยควสละได้แล้วไม่ยึดถือไว้ทําไมกิเลสทั้งหลายควรสละออกไหมควรออบริจาคออกไหมคนสละออกเนี่ยลักษณ ะ, นนะเนี้ยอินทรีย์นั่นเองเป็นตัวไข้ควรเป็นตัวพิจารณาทั้งหลายเหล่านี้นะก็ที น, นี้ก่านพูดถึงในเรื่องของการที่ว่าในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยนะเราเนี่ยไม่เห็นโทษ ไม่เห็นทอดของความเห็นว่าเที่ยงไปเห็นว่าจิตเที่ยงไม่จะเห็นแค่จิตเท่านั้นแหละเห็นอย่างอื่นเที่ยงด้วยนะเนี่ยในชั้นของคำสอนมาในมหาตัณหาสังคยสูตรเนี่ยว่าด้วยความสิ้นไปแห่งตัณหาสูตรใหญ่ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เนี่ยนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพาคเจ้าประทับอยู่ที่วิหารเชตวันารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถี ตรงนี้อยู่เชตวันอนาถาปินิกาเนี่ยบริจาค ร, รับสิบแปดโกดใช่ไหมในตรงนี้ใช่ไหมสิบแปดโกดปูเต็มพื้นที่ใช่ไหมแต่ก็บริเวณต้นไม้ไม่ได้ปูนะใช่ไหมเพราะซับปูไม่ถึงใช่ไหมปู18โกดซื้อใครใซื้อของเจ้าเชษ รราชอุทยานนี้เป็นของเจ้าเชษต์เบอกว่าให้ขายใครเคยไปเชตะวันนี่ยัง ไ, ไปมาแล้วนะไปแล้วได้สถาไงเล่าอี้ังไม่ได้ <laughs> ลบากอ๋อไม่ไม่ได้สถธาเลย าไปและคิดยังไงอ่ะพอไปถึงตรงนี้แล้วคิดยังไงที่ว่าได้ศรัทธาลองลองลองไปกันมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมหยังอบอกว่าไปกี่ครั้งแล้วแล้วไปตรงนั้นไปคิดยังไงไปได้อะไรไป สวนของเจ้าเชษชื่อว่าเชตาวันสวนนั้นพระราช ก, กุมาร น, นามว่าเชตะเนี่ยทรงปลูกทําให้งอกงามดูแลรักษาอย่างดีเจ้าเชษจึงเป็นเจ้าของสวนนั้นจึงเรียกว่าเชตาวันใช่ไหมทีนี้ในเชตาวันนั้นอ่ะชื่อว่าวนะันณะมีอยู่สองอย่างคือปลูกแล้วก็ที่เกิดเอง ป่าที่ปลูกขึ้นแล้วก็ป่าที่เกิดเองนี่แหละที่ตรงนั้นนะ่ะเชตวันนั้นและก็เววรรเป็นต้นเป็นที่ป่าที่ปลูกอันทวันและมหาวันเป็นต้นก็เป็นป่าที่เกิดเองอารามของท่านนาถาปินทิกาเศรษฐีมาจากคำว่านาถาปินทิกาขหาวบดีเนี่ยนะข้าวบดีชื่อว่าสุทัตสุทัตตา โดยชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความประสงค์ทุกประการก็เรียก <c oughs> สุทัศน์เนี่ยแปลว่าปรารถนาอะไรสมประสงค์ว่างั้นปราศจากความตาหนีเพราะเพียบพร้อมด้วยคุณเป็นคนมีกรุณาสูงมากชอบบริจาคทานเป็นอัธยาศัยชอบให้ได้บริจาค ก, ก้อนข้าวแก่คนอนาถาตลอดการด้วยเหตุนั้นจึงมีชื่อว่าอนาถาพินิจกะ ชนคำว่าอารามเพราะเป็นที่มายินดีของศัตว์หรือโดยเฉพาะบรรพชิตทั้งหลายยินดีมากที่ตรงนี้มาแล้วได้ล่ะใช่ั้มได้ศีลสมาธิปัญญาได้ระดมระดับโล ก, กุตลามักฉะนั้นคนบรรลุมากอุททบริษัทนี้นะภิกษุภิกษุนิบาศกบาศิกานะันะมาประชุมที่นี่มากที่สุดเพราะพระศ า, าสดาประทับตั้ง19พรรษานะ ปุปพารามอีกหอีก6 2ยีสหาถือว่านานที่สุดด้วยเชตวันกับปุปพารามนานที่สุดด้วยก็คิดดูว่าในประชากรเจดโกธเนี่ยหโกธนี่เป็นพระอริยะได้นั่นแหละนี่แหละอธิสงของการประทับที่ไหนนานนี่น เหนั้นประโยชน์อันนี้ไม่ได้รวมไม่ได้รวมเทวดานะไม่ได้รวมพรหมนอะอันนี้เอาแต่ที่นั่งอยู่นี้ไม่มีไม่มีที่นั่งอยู่นี้ไม่มีไม่มีบัณประเทศทั้งหลายจากที่ทต่างๆมาแล้วก็จะเกิดความยินดีแล้วก็ย่อมยินดีอย่างยิ่งอารามนั้นงามได้ดอกไม้และผลไม้เป็นต้น พอถึงพร้อมได้เสนาสนะต่างๆไม่ไกลไม่ใกล้เกินไปเป็นผู้ไม่รำคาญในการอาศัยอยู่อีกอย่างหนึ่งเชื่อรามเพราะนำชนผู้ไปหน้าที่ต่างๆภายในแล้วได้เกิดความยิน ด, ดีในสมบัติต่างๆเ่าเนี้ยอนาถปาิณิกาเศรษฐีก็ซื้อด้วยเงิน18โกดจากพระหัตถ์ของเชตพระเจ้าเชษในราชกุมารเนี่ยปูราตเต็มพื้นที่แล้วก็สร้างเสนาสนะด้วยเงิน18โกฏ ฉลองวิหารในลุล่วลไปอีก18โกธเท่าไร่18แสามเท่าไร mm hmm. นั่นแหละ54โกธด้วยประการอย่างเนี้ยวายแเด่ภิกษุสงฆ์มีพระเจ้าเป็นประมุข mm hmm. เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอารามของอนาถาปิณิกะในเนี้ยส่วนในคำเหล่านั้นอะณระวิหารเชตวันเนี่ยประกาศเจ้าของเดิมคำว่าอารามของท่านนาถาปิณิกาเสรษฐีเนี่ยประกาศเจ้าของหลัง ประโยชน์อะไรในการประกาศชื่อของเจ้าของเดิมและเจ้าของหลังเป็นการถือเป็นแบบอย่างของผู้ประสงค์บุญทั้งหลายาคนที่ประสงค์บุญทั้งหลายจะได้เอาสองท่านนี้เป็นตัวอย่างในวิหารนี้เจ้าเชษทรงบริจาคสิบแโกดที่ได้รับจากการขายที่ดินทั้งหมดเอาเงินสิบโกดนั้นน่ะนะสร้างซุ้มประตูด้วยแล้วก็สร้างปราสาท แล้วก็บริจาคต้นไม้ทั้งหมดเพราะไม่ได้ขายต้นไม้เนี่ยนับเป็นหลายโกรอนาถาปิณิกาบริจาคทรัพย์54โกรดังนั้นการประกาศ ช, ชื่อชนทั้งสองเหล่านั้นน่ะท่านภาษารีบุทเทระเมื่อจะแสดงว่าผู้ไข่บุญทั้งหลายย่อมทําบุญอย่างนี้ย่อมทําบุญอย่างไหนอย่างเจ้าเชษกนนาณาถาปิธิกา ถือท่านเป็นแบบอย่างเขาไว้ถือเป็นแบบอย่างในการจะเจริญบุญใช่ไถ้าจะเจริญบุญก็ถ้ามีที่ถ้ามีใครจะสะซื้อที่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าซื้อที่เราต้องมีส่วนบุญตรงนี้ด้วยเราถึงจะขายใช่ไหมถือแบบอย่างตรงนี้นะแต่ไม่ใช่ว่าต้องจ่ายซาบเท่าท่าน แต่ถ้าเรามีมากกว่าท่านต้องจ่ายมากกว่าท่านนะจะไม่ใช่ว่ามีมีน้อยกว่าท่านเนะี่ยเราก็ทำตามน้อยแต่ว่าถือถือแบบอย่างท่านทั้งสองเป็นแบบอย่างว่าเขาไม่ได้ขายที่แล้วเอาเงินมาเข้ากระเป๋าเพื่อทําบุญใช่ไหมแต่ขายเนะี่ยเพื่อเพื่อวัดใจกันเนะี่ยเอาคุณจะซื้อใช่ไหมถ้าคุณไม่ซื้อถ้าคุณไม่นั่นเราถวายนะ อ้าวไม่ได้ไม่ได้เราขอปูเฮ้ยถ้าคุณจะซื้อวัดศรัทธาน้อยเอาปูได้ไมัมยอาปูได้ขนมาขนมาก็ดูด้ศรัทธาก็ตรึกเป็นนะเนี่ยตรึกทานกุศลเป็นหมดเลยน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทำบูชาสั่งกะบูชาโอ้เขาก็มองเบ็ดเสร็จเท่าไหร่เนี่ยสบกอดเอามาเราถวายสร้างสมแล้วสร้างวิหารต้นไม้เราไม่ขาย แผ่นดินเป็นส่วนท่านแต่ต้นไม้และดินตรงนี้เป็นของเราเราจะทําบุญเราด้วยเห็นไหมนี่ถือท่านทั้งสองนี่เป็นแบบงั้นต่อไปใครขายที่อย่าขายต้นไม้ี่อินเดียไปฉลาดแบบนี้ยุ่งเลยนะเดี๋ยวเนี้ยอินเดียเดี๋ยวนี้ขายที่ไม่ยอมขายต้นไม้เพราะไม่ยอมขายต้นไม้เบ็ดเสร็จเพราขายเบ็ดเสร็จแล้วก็บอกนี่ต้นไม้ก็ไม่ได้ขายเนยขอต้นไม้คืนคนไทยฉลาดบอกว่า ถ้าอย่างนั้นก็จะแจ้งความว่าต้องเอาต้นไม้ออกภายในยี่บสี่ชั่วโมงงั้นถือว่าบุกรุกเลยไปเลยเดีนี้ไปก็หลาเรื่องเลยเดีนี้เพราะอินเดียถือประเพณีมาไม่ผิดถือมาผิดใช่ไหมถือมาผิดทุกวนันนีเป็นแบบนี้อินเดียเป็นแบบนี้ถ้าเราสืบค้นประวัติเราจะรู้ว่าอินเดียเขาสืบประวัติมาแต่เอามาไม่หมดใช่ไหมเล่ต้นเองเอามาส่วนเสียซะนี่เลยไม่ได้บุญเลยใช่ไหมดงั้นอินเดียเนี่ยคิดทุกแง่ทุกมุม เขาเป็นนักคิดมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าแต่พอพอศาสนาพุทธขาดความเป็นนักคิดก็ยังมีเหลืออยู่ใช่ไหมที่ติดก้อนบึ้งมาเนี่ยอัธยาศัยเนี่ยเลยไปคิดไปมุมผิดซะ น, นี่ชาวพุทธรับพุทธศาสนามาศาสนาขาดไปไม่เข้าใจวิธีคิดตัวเนี้ยทุกวันนี้ไม่ยอมไม่กล้าคิดนะเจริญปัญ น, นาเนี่ยไม่กล้าไม่จะคิดเพราะกลัวว่าจะเป็นนึกกลัวว่าจะเป็นคิดเห็นไหมไม่กล้าคิด เพราะจริงๆแล้วในในชั้นของในสมัยของพุทธกาลคือนักคิดนักคิดทั้งนั้นเลยอย่างการกรณีการแจกให้ทานเนี่ยการถวายทานแด่พระบรมศ า, าสดานี่คือระดับนักคิดเลยเห็นไหมอนณาถาคิดพระเจ้าเชษฐ์ก็คิดบอกว่าเอ๊ะถ้าคุณจะบริจาคคุณต้องวัดคุณต้องวัดศรัทธาเอาที่ทิ้งทิ้งเงินมาแต่ละชิ้นน่ะเราเราเราใคร่ครวนหมด อันนี้เป็นทรัพย์ของเราแต่เราจะถวายสง์ที่มีภาษาสดาเป็นบมุกเห็นไหมเป็นนักคิดท่านเป็นนักคิดมากถึงบอกว่าในชั้นของคําสอนหรือการศึกษาคําสอนของภาษาศาสนาเนี่ยต้องระดมวิธีคิดให้ถูกฉะนั้นจึงต้องใช้มากสัมมาสังกปะต้องใช้มากต้องใช้มากไม่ใช่ว่าสอนให้อยู่เฉยเฉยโดยไม่ระดมวิธีคิด แต่การคิดนั้นมีกรอบของการคิดของการวิจัยไม่จะคิดออกนอกกรอบคำสอนใช่อย่างกรณีน่ถ้าคิดเะลิดก็มีเนีย่ยเดี๋ยวดูตัวอย่างบุคคลที่คิดเตลิดนี่โดูในมหาตันหาสังคยสูตรเนี่ยเนี่ยคิดเะลดิดฉะนั้นถึงบอกว่าถึงแม้จะคิดแต่ก็อยู่ในกรอบที่พระศาสดาวางไว้อย่าคิดเะลิดนะอย่างในสูตรเนี่ยนะ ท่านบอกว่าในกรุงสาวัตถีครั้งนั้นสาติพิกขุเนี่ยเกวัตบุตรคำว่าเกวัตบุตรเนี่ยแปลเป็นบุตรของชาวบะมงมีทิตถิรามกเห็นปาณนน้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีภาคเจ้าทรงสแสดงว่าวิญญาณ น, นั่นแหละย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปไม่ใช่อื่นนี่เขาเรียกเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าจิตเที่ยง พิกสูจำนวนมากได้ฟังสาติตพิกขุเกวัตบุตรแล้วที่มีทิฏฐิอลามกเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระบรมศา ส, สดาทรงสแสดงเนี่ยนะวิญญาณนั่นแหละย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปไม่ใช่อื่นก็เข้าไปหาสาติภิกขุถามว่าท่านสาติได้ยินว่าท่านมีทิฏฐิลามกใช่ไหมเห็นปานนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระบรมศา ส, สดาทรงสแสดงวิญญาณนั่นแหละย่อมเที่ยงแล่นแล่นไปท่องเที่ยวไปไม่ใช่อื่น แล้วท่านก็บอกว่าจริงท่านเห็นอย่างนั้นข้าพเจ้าที่เห็นอย่างนี้เพราะข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมของพระบรมศาสดาภิกษุเหล่านั้นฟังแล้วว่าท่านเห็นว่าวิญญาณคือตัวจิตเนี่ยแล่นไปท่องเที่ยวไปไม่ใช่สิ่งอื่นวิ่งไปท่องเที่ยวไปอันนี้เป็นสัสตะเห็นว่าเที่ยงภิกษุเหล่านั้นปรารถนาจะปลดเปลื้องเธอเนี่ยก็ถอนว่าท่านสาติ ท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้การกล่าวอย่างนี้เป็นการกล่าวตู่การกล่าวตูพระพุทธเจ้าตรงนี้จะเป็นหลักให้เราได้ตัดสินว่าการการกล่าวคําสอนผิดการเผยแผ่คําสอนผิดแล้วเป็นโทษยังไงเป็นการหักชินจักรของพระชินเจ้าอย่างไรและโทษนั้นตนเองจะได้รับความเจ็บปวดยังไงนะคอยดูเรื่องเนี้ยที่ท่านยกตัวอย่าง ว่าท่านสาติท่านอย่ากล่าวอย่างนี้การกล่าวอย่างนี้เป็นการกล่าวตู่พระบรมศาสดา